แล้วก็มีโอกาสพบกันตอนเช้าตอนเย็นอาสัยการทำวัดสวดต้นด้วยพระได้เปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่สมัยขั้งพุทธเจ้าพุทธการที่สามที่สอง เพื่อเจ้าจะมองดูสัตว์โลกก็ผูใ้ใดมีตาไขา่อยู่ในตาไข่ที่จะฟังธรรมก็ <c oughs> <c oughs> มองเพื่อจะไปช่วยที่สีประชุมสงฆ์ทำวัดสวดมนต์สนพระสน สงปห้าวางแขนงานจะไปทางไหนโปรดใครออกกองเช้าออกพินาบาทมีทาบาทก็คือไปโปรดสัตว์ไปช่วยคนได้เป็นมาแล้ว ูเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็เป็นที่เราจะมองเห็นทิศทางเอามาสอนตนเตือนตนจนเราหลงผู้ไม่หลงก็มีเราทุกข์ผู้ไม่ทุกข์ก็มีเราโกรธผู้ไม่โกรธก็มี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 มันก็มีสิ่งที่ออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปานิธิภานนี่คือพะธามไปละในเบื้องต้นไปละท่ากลางไปละในที่สุดย่าโทษทิ้งหน้าที่ตุลาของเราในเรื่องนี้ เอาใจใส่มีความเพียรมีสติเอามาปาลบเอามาประกอบเพื่อยังกุศลที่อื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็ละกุศลอื่นที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเรามีความเพียรพยายาม ความสำเร็จก็มีอยู่ที่นั้นยิ่งเรามีสติมันก็รู้จอกใช้ทันทีต่อหน้าต่อตามีสติจำัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้มันก็เห็นอยู่ มันก็เกิดขึ้นอยู่ทำให้เรามีการกระทาในที่มันขนาดที่มันเกิดขึ้นเึน่นเรามามีความเพียรมาศึกษามาปฏิบัติมาหัดมันก็เห็นเห็นความหลงเห็นความรู้ภาษาที่เราสองคนเคยก็คือรู้สึกตัว รา ล, ลึกได้อยู่ว่าเวลานี้เรากําลังยกวัวสร้างจังหวะกําลังเดินจงกรมรู้สึกระลึกได้อยู่สิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้สึกลึกได้มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาช้างหน้าช้างหลังแล้วก็ม่สมชญญะรู้ว่ามันหลงไปแล้ว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 วิปัสฉนาทุละตามความหลงให้เป็นความรู้ตามความผิดได้เป็นความถูกได้ว่าวิปัจฉนาทุละมันพ้นไปบ้างมันหลงพ้นจากความหลงได้บ้างมันทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้บ้างนี่เป็นวิปัจฉนาทุละวิปัจฉนาคือพ้นภาวะเก่า ว่เดิมหัดตรงนี้ให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้ฝึกหัดให้มันเป็นทำให้เป็นเวลามันหลงให้รู้สึกตัวให้เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องรู้เอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกว่าดูรอบรอบมันมีอย่าปล่อยทิ้งอย่าโทดทิ้ง ความหลงเป็นความหลงความหลงก็ไม่ไม่อยู่เช่นนันก็ขยายไปอีกเป็นเหล่ากอ่อเป็นความโกรธความทุกข์อิจฉาเบียดเบียนเป็นกรรมไปเลยแม้มันน้อยนิดทีแรกเป็นความหลงเฉยๆแต่ถ้าปล่อยทิ้งไปก็หลงไปใหญ่ เป็นอะไรเป็นพบเป็นชาติเชลามรณโะโศกประปเทวทุกข์กเกิเจ็เจ็บตายไปโนอดไม่ใช่เรื่องน้อยถ้าเราไม่หลงเรารู้เนี่ยมันก็ไปทางไม่มีชาติไม่มีเชลาไม่มีมรณะไม่มีเกิดเจ็บเจ็บตายมันก็ไปทางโน่นอีกถ้าเราไม่แย่ตรงนี้ไม่หัดตรงนี้ไม่กลับตรงนี้มันก็ไปคนละทิศละทาง ต้งหัดทำให้มันเป็นเหมือ น, นเราเดินทางก็มันผิดก็หยุดจะอเดินต่อไปกลับมาถ้าผิดแล้วยังเดินต่อไปอย่ันก็ไปไกลเพิ่นชาเสียเวลาแม้ทางมันสะดวกมันไม่ใช่ถูกจุดหมายปลายทาง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 มันหยุดตรงที่มันควรหยุดเช่นมันโกรธหยุดโกรธทามันทุกข์หยุดทุกข์ทำหลงหยุดหลงนเนี้ยถ้ามันหลงเป็ น, น, นความหลงไม่หยุดแล้วก็ไปคนไปโศกาเกิดเจ็บอยาตายถ้าไม่ไปถึงการเกิดเจ็บอยากตายก็หยุดหยุดดูมันเห็นมัน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 ผมขนเอากระโวยเอาพ่นเอาตูเอากองเอามันก็ดือด้านขึ้นไปเรื่อยๆเวทนาไม่ใช่จากว่าเวทนาเสร็จแล้วมีค่าให้ค่ามากจนชีวิตตั้งชีวิตตกเป็นทาตองเวทนาตปนคนติดยาเสพติด ติดเกาวติดเทนเนอร์ติดบุหรี่ติดเหล้าติดรูปรถกินเสียงมเ น, นี่ยไปดูแถวหัวลมโพงเวลาเราขึ้นรถไฟพวกติดกินเนี่ยพวกติดเกาวติดกินเหมกก็นเรากาเปนั่งนอมแมมอยู่แถวห้องน้ำในหัวลมโพง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 พอถึงแถวเด่นชัยนะ่มีคนคนหนั่งขึ้นกลางทางแถวเด่นชัยเราก็นั่งอยู่แอบๆบสุดท้ายหลังเบาหลังเป็นที่รับไม่กีดกลางใครเราก็ดูตัวเองไม่ลงหลังแล้วคนนั่นขึ้นไป ก็ก็ขอคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปบอกลวงตาออกมาสักหน่อยเขาจะไปนั่งมุมโน้นเ้าก็ตักเข่าของเราออกไปออกไปแล้วก็ออกก็ให้เขาไปนั่งพอเขอนั่งสักหน่อยเอาเอาผ้าคลงหัวก็ดมกาวแล้วก็เหม็นใครก็ เม็นบัวเหม้นเกาเหม้นเกาไขดองเกาไขรมองกาโวยโวยขึ้นไอคนนั่งกันเอาข้าวข้าหมอนั่งก้มดมเกาอยู่แล้วขับรถโดยสารก็จอดรถไข่ดมนะคนนั่งคนนั่งอยู่นั่นแหะไปดึงมนลงมาวันที่สุดไปจับแขนดึงลงมา มันก็ไม่กลัวใครเลยดมเฉยนได้อดมได้ที่กับ น, น้ำมูกน้ำลายไหลโ ย, ล ย, ยดเอย ๆ, ๆไม่ได้วยจะกลายเลย น, นั่นคือมันไม่ใช่ว่ามันมันนิดหน่อยเวทนาเนี่ยไป่ไกลคนทองชั่วเร็วซามได้ก็ว่าเป็นธาตุของเวทนาหรือว่าติดคุกติดตรางเป็นทุกข์ก็เพอเวทนานี่เอง เราจึงมาเห็นมันให้ค่ามันเวทนาสัตว์กเวทนาไม่ใช่สัตว์ประกอบตอนเราขอเนี่ยถอนตอกว่าหยุดมันหยุดมันถึงมา ถ, ถึงผลนะไม่ใช่ไปต่พุ้นแพือนนะหยุดไม่เป็นน้นก็เย็นไม่ได้ทางเราสวด น, นะทำตรงนี้เรียกกรรมฐานปฏิบัติคือเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยน ถ้รู้จักเปลี่ยนนันก็พลุงพะหลังเหมือนพ่อค้าสวงพ่อเทียนพูดเรื่องพ่อค้าพ่อค้าขายปอพ่อค้าขายอ้ยต้องรถ10บล้อบรรทุกไปขายปอก็ใช้รถ10ล้อบรรทุกไปเป็นรถรถต้องลงทุนชื่อรถ ต้องทุนสร้างฉางเก็บสินค้ามันก็พลุงพลังพอค้าขายเพชรขายพลอยไม่ต้องเอาสิบล้อใส่กระเป๋าแจมบอนเพียงกระเป๋าแจมบอนถือเบาๆได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปขายแล้ว พ่อเทียนคุยเรื่องนี้มากท่านบอกว่าท่านเงินล่อเงินพันเงินหมื่นไม่เป็นเป็นแต่เงินหมืน่มนเงินแสนหาอย่างไรรถเฉียบลกก็มีครัังสินค่าก็ไม่มีบ้านเชียงคานแถวนั้นทำไร้ไฟฤดูเจ็บาย พ่อเถียนก็ไปถามดูจะขายเท่าไรเพราะไนี่จะขายกิโลเท่าใดตันเท่าไรต่างพ่อข้าเขาซื้อเท่าไรเขาว่าขายเท่านั้นแต่นี้พ่อข้าให้เท่านั้นบาทถ้าเลยเท่านั้นจะขายดังรังรออยู่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 อาจจะซื้อให้สามพ่อเดียนพอสอบสรนจ้าแต่แล้วประมาณขีตันขีตันรวบรวมดูแล้วเจ้านอนเท่านั้นเจียว น, น, น, น, ท, น, นที่นี้ก็ไปหาพ่อข้าคนกลางจะซื้อเท่าไรป้ายเ๋ยานี่ซื้อเท่านั้ น, น, นถ้าจะเอามาขายให้เท่านีน้จะได้ เป็นเฉียนๆล้านๆตันจะซื้อไหมพอค้าก็ตกลงซื้อถ้ามาขายให้หมดแล้ เ, เทียนก็ตกลงกับพ่อค้ามาบอกบอกให้พ่อค้าไปเอาได้ฝ้ายเอารถไปใส่เลยแล้ เ, เทียนก็ไม่มีฉางก็บอกก็ารถไปแล้วกันนี่อยู่นี่พันตันยจนร้อยตันสองรอยตัน เขาคยทุกข อ, อกข์ออก้เพราะว่าหลวงพ่อเทียนว่ากินน้ําชาแก้วเดียวก็ได้เงิ น, นแสนเนี่ยหลวงพ่อเทียนคุยอย่างนี้ไม่เหมือนพ่อข้าขายปอขายอ้อยต้องใจรอดจิบล่อหลพ่อเทียนมือเป่าเนอ่ยเงินล่อเงินพันไม่เป็นฝรัง่งฝรั่งนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกัน บางทีก็เชื่ออะไร ง, งมงายไปะพื่อื่อนั่ดีอันนีไดีอั น, น, อ น, นั่นชอบอันนี้ไม่ชอบเอาจฉลี่ยิสัยของตนไปเกียวข้องทั้งหมดเอาสมงองเอาความเห็นมันก็ต่างกันอยู่เป็นบางคนปฏิบัติกรรมาฐานเปิดมาแบบนั่นแบบนี้ตานี้ชอบกับทิสัยของเรา บางทีคนนั่นก็มันชอบอย่างนี้ชอบแบบนี้บางทีอาจารย์กรรมฐานก็ต้องสอนถ้าใครมีโทสะจริตก็ให้อริยกรรมว่าเหยเมตตาสเปชิตาถ้าไปมีราคะจริตให้มองถึงอสุภกรรมฐานถ้าใครมีโมหะจริต ก็บริกรรมว่าพุทโธพุทโธตามเจตนิสใยของคนนั่นนั้นหรือพึกสมาธะพกสมาธิในรูปแบบต่างๆ่างบางทีก็สอนกันตามความคิดเห็นของเขาบางคนก็ชอบมองนิมิตมองกระสินเอากระสินดานิมิตชอบเล่นนิมิต ให้เห็นนิมิตท้งตาทางหู้องกลินหานิมิตให้ได้บางทีก็เพ่งก็ศีนเพ่งทูปเพ่งเทียนเพ่งอะไรต่างๆ่างบางทีก็เพ่งขี้กดเคยหัดลองโหลนะแล้วนอนเวลานอนเราเพ่งขี้กดเรานอนกลางกด กฎมันก็ไม่อยู่ชงติงเน่ยมันก็หลีไปเลีไปก็มองเวลมองไวลแม่งกับพิบตาก็อไปมองเป็นชั่วโมงสองโมงก็ไปเอาไปมามันับมาตายหลีไปเลยมันก็เพ่ไเไงไปแบ <laughs> บนั้นเออไม่ถูก ไ, ไม่ถูกมันไปทางนอกกันแต่หัดลงดวมองแสงอาทิตย์ตอนสองโงเช้าไม่ครอพิบตาอันนี้ก็มีจะน้ําตาไหลนี่นก็มี มองกระสินเอาอ่นดื่นมาเป็นนิมิตอันนี้แล้วก็มีเหมือนกันอันทีเพ่งหายใจเข้าพุทตามลมเข้าออกตามลมเข้าออกตามลมเข้าหายใจเข้าพุทพุทเข้าโถหลุ อ, อกตามลมไปตามลมไปตามลมไปถ้าอยากให้ตัวแข็ง แล้ว่ามันตามลงดีแล้วตามอลไรก็กั้นใจสักหน่อยตัวแข็งเลยเคยเคยเคยสอนคนได้แบบเนี้ยกดทับไปเลยตัวแข็งไปเลยกลายเป็นคนตัวแข็งบางทีสอนกันผิดแก้ไขกันได้เป็นมาเรียกเราไปบางคนสร้างจมูะเพ่งเกินไปอ่า ยกไมออกมือมือติดตั้งแต่ทีสามคนบ้านใกล้กันเป็นโยมผู้เท่าเหมือนนี่เหมือนนั่งอย่างนี้นไปปฏิบัติสร้างไปสร้างไปเพ่งกันไปมือติดไม่ได้ทำมัดเลยยกปือไม่ออก ไปเมตตาแล้วก็แล้วตรวจน้ําแล้วก็แล้วเป็นเบญไปกรมาะไรจนเครียดไปเลยตอนบ่ายเช้าเราก็ไม่เห็นโยมมาฉันเช้าตอนเช้าก็ไม่เห็นโยมอีกพอฉันเช้าเสร็จแล้วก็เดินไปทางกติโยมอยู่เห็นนั่งอยู่โอ้ยมาช่วยด้วยมาช่วยด้วย สงพ่ออาจารย์อาจารย์มาช่วยด้วยไม่รู้เป็นเบนเป็นคำอะไรมือติดตั้งแต่ที่สา ม, มยกไม่ออกเราก็หอวในใจหัวเลาะในใจแจ้งว่ากันเพ่งกันไปเราก็ไม่ไปพูดเรื่องมือยกไม่ออกมั่นเป็นไรไปรมตาตาเราก็แล้วตรวจน้ําเราก็แล้วไม่รู้เป็นเบนเป็รคำอะไร อยากกินข้าวก็ไม่ได้ไปอยากไปขับไปถ่ายก็เมื่อไม่ออกลุกไม่ขึ้นเลยแล้วก็ไปก็ชื่อพ่อใหญ่กาบเปนคนบ้างใกล้กันพ่อใหญ่พใหญ่มีลูกกี่คนลูกห้าคนคนหนึ่งมันตาเหลือยุคสีคนแต่นี่ลูกสาวลูกชาย เลี้ยงดูหรือว่าใครเป็นผู้ดูแลลูกเขยลูกสาวเป็นคนดูแลมีหลานจี่คน่ไม่หลานสามคนคิดถึงหลานไหมคิดถึงอยู่แต่ว่าวางหนะ้ายิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ห้าไม่ใช่สี่คนหรือหลานสามคนจะไนลืมหลานไปแล้วพ่อใหญ่ แล้วก็มีคนนั้นคนนี้ก็มีสามคนตอน น, นี้นายนั่เด็กชายนั่นเด็กชายนี่ไม่ใช่อาจจะมีสี่คนนะลืมหลานแล้วมายชื่นี่ก็ลืมหลานแล้วไม่ถูกต้องมีสี่คนอาจารย์ก็เคยเห็นบ้านเดียกใก ล, ใกล้ใกล้กันนะายชื่นี่ก็ลืมหลานแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะี่ยอายุเจ็ดสิปีแล้วโอ้ยลืมไปแล้วไม่ลืมไม่ลืม ผมมีร้อนเชื่อสามคนเนียยกโห น, นีคนนันมีคนนี่หลังตาก็นองเห็นแสดงว่าออกมาแล้วพอคุยกันไปคุยกันมาเอา้ามือผมบอกว่อะไรวะไม่รู้มันเพ่งเกินไปก็ไม่ถูกบางทีจริงจังเกินเกินไปจนหน้าดำาครือเขียดทำไ ด, ได้สบายสบาย ทำอะไรถ้าทำพอดีมันมีเมตต์จะมาปฏิปทาอมยิ้มไว้ในใจยาวยากยาง่ายยาความยากยาความง่า ย, ยาวความผยาความถูกยาวเหตุยาวผล อ, อกกรรมรุ่นลนนี่ยรู้จักตัวเนี่ยมองพปรไรู้จักตัวไปมันหลงก็อย่าให ความหลงเมียาถือว่าผิดแล้วมันรู้ก็ถือว่าความรู้เมียข้าถูกแล้วเมื่อมันถูกก็พอใจเมื่อมไม่ถูกก็ไม่พอใจมีสำจิญะถอนความพอใจแล้วก็มาพอใจออกมามารู้สึกปกติธรรมดาเนี่ยเนี่ยที่ถึงถึงผลไม่ใชเ่เอาจิงเอาจังจนหน้าดำคำเขียด เดกก็เกิดที่เนได้งหงอหนอนได้ยากได้เบื่อหน่ายใครความเปลียนได้เหมือนกันถ้ามองถึงความเพียนที่โอ้ยไม่ชั่วไม่ชั่วโ่ยอมแล้วถ้ามองถึงความเพียนเนาะไม่ใช่อะไรสุดหัวใจเอาใดที่เราได้ลั่งยกมือสร้างจังหวะฉันเข้าเสร็จแล้วเดินไปกติของตนวางบาทนั่งสร้างจังหวะมันสุดหัวใจ มันกู้ดีนะอยากให้พ่อมาดูอยากให้แม่มาดูลูกชายของแม่ลูกชายของพ่อบางทีเดินจะกลมมาช่วห้อยจอบางทีเราตั้งไม่เป็นตั้งใจไม่เป็นก็ยากจะเดินเท่าไหร่บางคนก็เอานิมิตเป็นเครื่องหมาย <c oughs> จุดทูบไว้หนึ่งดอกถ้าทูบไปหมดจะเป็นลูก ถทุกขวเมื่อไรจิตจะลุ ก, กมันก็มีเหมือนกันหลวงตาเคยทําแบบนี้เหมือนกันเพื่องักตัวเดีเมื่อตั้งทพบว้จุดเทพบว้จิตใจมันก็ไปมองแต่ทุกเมื่อไรทุกข์จะปวดรู้ปวดขาปวดแล้วก็คิดไป อ, อลืมไปแล้วลืมเพราะสัจจะก็ไมนะตั้งใจผิดผิดก็ไม่ เอาจริงอาจังกับอันอื่นมากําหนดเราให้จริงอื่นมากําหนดเราบางดีก็ถามเดินนานเท่าไหร่ล้างนานเท่าไหร่เดินชาดันไหวอย่างไรชาดีไหมไวดีไมบางทีก็ถามเรื่องอย่างนี้อมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้ามันง่วงนอนก็ทำไม่ไหวแรง จังหวมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ไอจังหวะที่เราทําหลวงพ่อทีย่สอนเราเราง่วงหรือทำงานนกรูปแบบก็ได้เออโยกหลังๆโยก ลองดูสิหายใจดยมันจะปลุกตัวให้ตื่นก็แล้วเดี๋ยวเอาโลกรูปแบบอีกอ๋อรื่องงนกาบพระเจ้าพระเจ้าหนูต่อหนังเรา เรานั่งต่อหน้าพระพักของหลวงกาบพังเด็กแล้วกาบพังเด่กสองใจใจสองข้างแล้ว <c oughs> อนอกเรื่องเมื่อใส่ใจมันไม่ไปกดทับความม่วงกันไปเชรียดกันไป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 เดินใวัยั่หน่อยเดินวัยั่หน่อยถ้าเดินไวัมันเพ่งกันไปกับเช้าชั่หน่อยค่อยเดินมามองก็จะมองไกลกันไปให้มันได้ฉากสายตาเราถ้ายืนก็ความสงของยืนมองไปถ้านั่งความสงของนั่งมองไปน่าจะมีความบอดพอดีของทุกคนเรามัดเขมา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 ไม่ได้สอนแน่ๆเราสอนเราเองเป็นไอ้บทที่เราช่วยตัวเองหัดมาตั้งแต่โยงพยาบาลให้จานน็อตสูแขนขึ้นดอดว่าชั้นห้าไปเดินอยู่จงกรมหมดเดินหัดวิ่งเดินไหวๆแข่งแขนมองเห็นสวนลุม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 ไม่ไม่ขยันมามาก่ อ, อนแต่ก่อนขยันกว่านี่นะนะแจงกลมเนี่ยแจงเขนบางคนแจกไม่เป็นให้มันได้จังหวะ ก, กับการน้องของเราน้องของเราเนี่ยน่องของเราเนี่ยกับแขนของเราให้มันได้จังหวะจะย้อนก็ดีบางคนไม่ถูกจังหวะ ก, กันทําไม่เป็นไม่ไม่ดีต้องทําให้เป็นเราก็หักจากสภาพของสังขารร่างกายของเราเนี่ย าตาเลยหัดเดินจง ก, กรมแบบแข่งแขนตอนเช้าชั่วโมงหนึงถ้าถ้าทําให้แข็งขันสักหน่อยชั่วโมงวินาทีละเก้าสองเกได้แข่งแขนนับไปเนสองเก้าได้แข็งแขนข้างหนังถ้าวินาทีละเก้าชั่วโมงหนึ่งก็ได้หลายแปดันเก้า บ่าบางทีก็ ampa, function, go, war, เอาจนถึงหมื <als> ่นเก้าตอนเช้าเดินลอกสะอ่ะอิทำตฐานเจ้ามงกว๋อๆได้หมื่นเก้าทุกวันทุกวันดวนเดินแล้วก็มาอาบน้ำตอนเช้าเดี๋ยวนี้ไม่อาบน้ำเลยมันขี้เกียจยังไงไม่รู้ประมาทแล้วนีการฝึกตนสอนตนเนี่ยตามเหตุตามปัจจัย ยิ่งเราแก่เนี่ยยิ่งสนุกนะอย่าไปเอาความแก่มาอ้างเก็บป่วยก็สนุกเลยสนุกเก็บป่วยไปเลยทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องลําบากเป็นความสนุกสนานคนมาถามปางทีคนมมองหน้าเราน้องให้ว่าไม่ใช่สีคนเป็นเดินของมะเร็งแล้วก็ฉายหลังสีไม่กันหมดเลยทั้งตัว มาร้องไห้กับเราทำไมเราไม่ได้ทุกดือนร้องเลยสนุกสนานเต็มที่แล้วบอกคนเขาก็ไม่เชื่อเราเรมองหน้าเราก็ร้องไห้ละนะก็บางคนอ่านกันก็หัดตั้งแต่นี้หลยไปมันหลงรู้จักตัวอยากเป็นผู้หลงเดือนวันหลงอ๋อใช้ความเห็นเนี่ยมันเฉลืยได้ทุกอย่าง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 ในที่โจทย์กองห้ทีเดียวแหละเหมือนเห็นเนี่ยมันไม่เป็นแล้วก็ก็นิ่ผ่านพระนิพานมีฝั่งถ้าเป็นมันมีอย่างนี้มันต่ํากว่าฝั่งลอยคอมันขึ้นไม่ได้ถ้าเห็นแล้วมันเทียบท่าเลยมันเทียบท่าเลยเห็นทุกไม่เป็นทุกพ้นทุกเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นความโกรธเนี่ยมันก็เทียบท่านี่ถ้าเป็นเรามันต่ําเพราะนั้น ฝังนิพพานมนุษย์สอนยากรุ่งโละอยู่ตรงฝั่งเนี้ยเป็นอยู่ไนะเป็นสุขเป็นทุกข์นะผู้ที่ถึงฝังนิพพานมีมีไม่มากนะขึ้นมาเห็น น, นั่นอันนี้จึงดีเหนือการเคยเจเจ็บตายได้เป็นเรื่องสมบัติของเราทุกคนทำเอาเองให้เห็นมันเห็นอะไรเห็นกายสักว่ากาย เนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อ, อย่าเอากายในเป็นตัวเป็นตนกูร้อนกูหนาวกูปวดกูม้วอยกูสุกกูทุกข์กูทําได้กูทำํำมาได้เอากายเป็นเครื่องตั้งเพื่อผูกพันุให้เกิดกว่าเป็นภพเปเจ้าแล้วก็เห็นกายจักรกายไม่ใช่สัตว์บุคคลก็พ้นไปแล้วเห็นเวทนาเห็นจิตมีไหมมีทุกคนเป็น ด่านออกจากก้าวแรกทีเดียวเลยพอปั๊บไปเดินไปก็เจอกายไปทีมันก็มีอะรบางอาเ น, นี่ยเวทนาก็มีแน่นอนจิตก็มีนั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่มันไม่อยู่มันเคยไหลมันก็ไหลไปก็กลับมาลู้มันไม่ใช่ไปตามตจิตเนื่องจาจิตมันจะให้สุขให้ทุกข์ จิตมันทุกก็ทุกกับตามก็คิดถ้าจิตมันจุก็สุกไปตามก็คิดง่ใช่ให้เราเป็นใหญ่ส <c oughs> ต, ติอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ก่อนนี่อาจะละเป็นใหญ่ตาหูจมูกได้ยังไงใจเป็นใหญ่รูปรสจินเสียงเป็นใหญ่แล้วก็แย่งกันไปคนละทิศละทาง ต า, เ ป, า, ป า, ตาเป็นใหญ่ก็ไปทางตาหูวเป็ใหญ่ก็ไปทางหูวจมูกดิ้นเป็นใหญ่ก็ไปทางจิงนั้นนั้นบาริอินทรียสติอินซีเนี่ยเป็นใหญ่มันก็สมบุกไปจะลงทันทีตาจิตตนะเป็นที่รับใช้ของสติอินทรียไปเลยจับมันม า, ชาใช้แชคิดเรื่องใดแชดูเรื่องใดจะให้มันเห็นเรื่องใดจับมันมาใชา้แต่ก่อนมันใช่เรา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 มือนไห้ท้องเต่าก็ยังายท้องเต่าไว้แล้วเต่ามัให้ลูกเดินน่ะถ้าเอามันวางไว้เหมือนเดินไปไอ้ไห้ไขึ้นซมันก็เดินมาได้ใช่ไหมมันก็เด้าเดเดวิสังขารคืเปลี่ยนไล่เป็นดีตัวสังขารคือมันขยันคิดขยันหลงขยันอะไรไปของไหนเองแล้ก็มีเห็นหมันปั๊บเปลี่ยนมา สังขารมันเหมือนไปไ ป, ไปถึงรักถึงชอบถึงพอใจอะไรต่างๆถ้าวิสังขารเปลี่ยนนั่นมันก็หยุดสังขารลาปรามาทุกขสังขารเป็นทุกข์วิสังขารวินิพานธังปรามาส่วนนิพันธ์ไม่เป็นทุกข์เนีเปลี่ยนเมื่อใดผู้คนเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนเมือ่อนั้นย่อมหน่าย้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระเนปานมาอย่างนี้ทุกแท้ๆเป็นเพปานการปรุงแต่งนั่นแหละมันดีมันจะได้เห็นมันตามความเป็นจริงเห็นผิดนั้นจึงมีถูกเห็นว่าาจึงมีปัญญาอย่างนี้อ่ะเอาไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อจบตอนนี้วันนี้การเพอากัน